ต้นกำเนิดของสุราก่อนจะมาเป็นโรงกลั่นสุราเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกเลยในป่าแห่งหนึ่งห่างไกลจากผู้คนมีต้นไม้ที่สวยงามทีเดียวเนี่ยเป็นแหล่งกาเนิดของคําว่าสุราแปลกเพราะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยบนต้นไม้นั้นมันมีขาคบที่เป็นแอ่งน้ําฝนตกลงมาน้ําก็ลงไปขัง ในแอ่งนั้นบ ร, ริเวณรอบนั้นมีพลไม้ที่ทําให้เกิดแอลกอฮอลได้มีต้นส ม, มอว่าขามป้อมมังเถาพลิกไทยมังึ้นล้อมอยู่แล้วก็พัดลมพัดมันก็หลุดจากคั่วแล้วก็ตกลงไปในแอ่งน้ํานั้นแถมใกล้ๆโคนต้นนั้นมีต้นข้าวสาลีเกิดขึ้นซะอีกนกบินมามันก็ไปกินข้าวสาลีแล้วก็เก็บเอามากินบนขาคบคาบเอามาด้วย ตัวแล้วตัวเราเน่ยข้าบแล้วมากินกินแล้วก็ล่วงหล่นลงไปในแอ่งน้ํานั้นยังไม่พอแสงแดดแผดเผาแล้มากลั่นให้เป็นน้ําสุราเปลี่ยนสีรถและกลิ่นเป็นสีแดงมีกลิ่นชวนกินนกบินไปบนอากาศเหน็ดเหนื่อยกระหายน้ํ า, าก็มาเกาะต้นนี้ลเลยดื่มน้ําอุบาทนี้เข้าไป โดยก็ไม่ได้คิดอะไรกับไปตามภาษาหนกกระหายน้ํากันดื่มดื่มแล้วก็ล่วงลงมาโคตนต้นแต่ก็ไปพ้นสายตาของนายพรานที่ออกมาล่าสัตว์แล้วก็ซ o o m ดูเอ๊ะไอ้ต้นไม้นี่แปลกแฮะเดี๋ยวตุบเดี๋ยวตุบมาดูออหนกนี่เออดีเหมือนเราไม่ต้องไปอดักเลยเนี่ยไม่ต้องวางขายกันแล้วก็เฝ้าสังเกตดูเพราะมันล่วงมาเรื่อยๆรอนกนั่นน่ะหลับไป พอฟื้นกันมาบางตัวพอฟื้นมันก็บินไปแต่ว่ามีส่วนหนึ่งหลับในพรานก็ประหลาดใจเอ๊ะแปลกดีมันต้องมีอะไรอยู่บนต้นไม้ประกอบกันในพรานนั่นนหะเขากระหายน้ําด้วยขึ้นไปเอ๊ะอน้ํานี่กลิ่นมันหอมนะสีมันก็ชวนดูกลิ่นมันก็ชวนดมแล้วก็ละหายแล้วมันก็ชวนดื่มเราก็เลยลงมือดื่มความอุบาตก็เข้าไปในร่างกายทันที โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่ามันอุบาทว์เป็นยังไงแต่ว่าพอลงมาที่โคนต้นแล้วเนี่ยรู้สึกคล้มๆแตกต่างจากที่ตัวเคยเป็นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคล้มไอ้นกที่นอนหลับอยู่โคนต้นก็เอามาย่างใช่ทากับแก้ม <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ากับแก้มหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าแต่กินนกย่างกับไอ้น้ําอุบาทนี้แล้วรู้สึกมันดีมัคตา <c oughs> แล้วก็มีลาออกมาทันทีทเลยอออื <c> ื <oughs> ดีลาเขาในพลานอ้าวไม่มีใครเห็นเราก็โชว์กันสุดๆแล้วก็นึกถึงเพื่อนซึ่งตอนนี้ไปบวชไป็นฤาษีแล้วลาออกจากคารวะไปเป็นนักบวชที่เรามีของดีเลยเต้องไปฝากเพื่อนหน่หนอยเรานั้มีนา ม, มากรอนว่าสุระดาบทั้นชื่อวรุณก็เลยเอาน้ำสีแดงๆนั่นแหละกับนกใส่ย่ามไปเลยหาเพื่อนฤาษีวรุณ เจอกำลังนั่งเข้าช้านทีเดีย ว, วกเก็บเศรกิจแลยเพื่อนออกมาเถอะอืเข้าช้านั้นมันจะไปมันอย่างนี้เล้วมาลองดูโอ้โหพอกลิ่มก็ไม่น้อยแล้วแล้วก็มันคลืมๆทีเดียวนะะเพื่อนลองดูเห็นไหมมหาฤาษีว ร, รุณหัวเราะกิ๊กกักอารมณ์สดชื่นกันมาเลยนี่แล้วในี่สุดก็ชักชวนกันไปเอ๊ะเราเข้าไปในป่าไปอีกที่ตรงนั้นนะเอาความดีความชอบดีกว่าเราเอาน้ําชนิดนี้แหละไปถวายพระราชากัน หรือสีก็เลยเปลี่ยนเพศภาวะมาขนสุราไปกับเพื่อนในพานสุระเอามาถวายพระราชาข่าแต่มหาราชเนี่ยข่าพระองค์สองไปเจอน้ำที่สุดยอดจริงๆเลยอร่อยที่สุดในโลกตัก้งแต่เกิดมาเลยไม่เคยลิ้มรสขนาดนี้เลยอืมไหนพระองค์ลองกลิ่นดูสิอเอ๊ะก็ดีมกันที่พระราชาบอกดีอ่ะดีงั้นเจ้าไปขนมาอีกเลยไม่นาทีไปขนมางั้นเอามาส่งถวายพระราชากัน ต่มาเดินไปบ่อยก็มันเมื่อยพอเมื่อยก็เลยเกิดปัญญาขึ้นทำไงจะหายเมื่อยก็เลยเอายี่ดีกว่าเราไปดูสูตรอิทธิกนแองแล้วก็เอามาผลิตสุราเลยเอาตุมมา่มเยอะๆเขา้าส่วนหนึ่งไม่ถวายพระราชาอีกส่วนหนึ่งเราทําขายเลยก็มาขายชาวเมืองก็มารู้จากกระถามเนี่ยน้ําอะไรเนี่ยน้ําดีก็แล้วกันอร่อยเนี่ยน้ำสุราก็เลยกลายเป็นน้ําสุรา ชาวเมืองก็เลยดื่มกันเนี่ยสุรานี่มาจากคำว่าสุระเนี่ยเป็นบิดาของการผลิตสุราอืหลงไปก่อนเป็นคนแรกเลยนี่ชาวเมืองก็ดื่มกันดื่มกันไปเลยไม่ต้องทํามาหากินเลยพอเมาแล้วก็นอนกันพอซางก็ดื่มต่อเพราะมันอร่อยแล้วมันกลิ่มดีทีเดียวหละในที่สุดบ้านเมืองก็พินาศพอพินาศไปแล้วไม่มีคนซื้อสุราเลยที พวก็ไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวเราไปหาเมืองอื่นดีกว่าสองสหายก็แบกกันไปเลยสุระกับบรุณแล้วก็ไปอีกเมืองหนึ่งคือเมืองพาราณสีชาวเมืองก็ไม่รู้จักก็ห้ทดลองดื่มสุระนี่จะไปลองนะมันมีฤทธิ์นอะทำเปเล่นไปนี่ติดกันทั้งเมืองเลยเนะี่ยพอพังไปอีกเมืองหนึ่งนี่ยย้ายเมืองอีกแล้วจนกระทั่งมาถึงเมืองเมืองหนึ่ง ก็เข้าเ้าพระราชาอีกองค์หนึ่งแต่พระราชาจะไม่ทันดื่มเลยสั่งเตรียมการไว้ห้าร้อตุม่มให้ผสมน้ำอย่างว่านี้นี่โอ้โหเยอะแยะเลยแต่ขณะที่บรรจุในตุ่มนั้นน่มีบางตุม่มพอมันเกิดเดือดขึ้นมาก็ไหลทะลักออกมาก็มีแมวตัวหนึ่งเอ๊ะกลิ่นมันหอมดีสงสัยจะหาสงสัยมันก็ต้องมีวิธีการ วิธีการที่จะทําให้แมวหายสงสัยได้คือเลียลิมสุราเอ๊ดีมกันฮอลิมไปเรื่อยๆในสุดแมวก็เมาไปแล้วแล้วก็เสียศักดิ์ศรีของแมวขึ้นหนูมากัดหูเมาขนาดหนูกัดหูกัดโหนดของแมวแถือเป็นศักดิ์ศรีสุดยอดของแมวเนี่ยแต่ก็แมวหมดศักดิ์ศรีไปแล้วทีนี้ก็มีคนก็ไปเห็นเขาคนของพระราชากรา บ, บทูลว่าแมวเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเป็นอย่างนี้เนี่ย สงสัยจะเป็นน้ำยาพิษเลยเอาทั้งสองคนไปประหารชีวิตนายพานสุระกับฤษีวรุณถูกประหารชีวิตไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนเฝ้าสังเกตการดูแถวนั้นอีกแมวนั้นแค่เมาเจิ้วขขาแล้วก็ตื่นมาล้วขึ้นเดินต่อไปด้วยความงงๆบอกว่าน้ำเบือ้ออะไรกับลูกอร่อยแต่เมาเ ง, อางพระอาชาติว่าเอ้ถ้าอย่างนั้นมันก็คงไม่มีพิษสิมันต้องมีรสอร่อยแน่ขนาดแมวเนี่ย ลิ้มแล้วหลับหลับแล้วตื่นตื่นมาแล้ยังร้องเสียงายอย่างนั้น mm hmm. ก็เลยให้ไปเอามาเตรียมดื่นเรื่องนี้ร้อนไปถึงเท้าสักะเทวราชสอดส่องที่พระเนมาดูใต้แลพระราชาเมืองนี้เนี่ยแต่ขืนดื่มกันไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่างนี้และท่านเป็นประเทศมาหาอำนาจซะด้วย mm hmm. มีอนุภาพยุคนั้น mm hmm. เดยวก็จะแพร่ขยายกันไปทั่วชมบูทรี mm hmm. เดยวก็จะแป่อาบายกันไปหมดอย่างนั้นแหละ mm hmm. ก็เลยสเสด็จมาจากดาวดึง แปลงเพศเป็นพราม์น้อยถือหม้อทองคำมาลอยอยู่บนอากาศพระราชาก็อัศจรรย์ว่าโอ้โหท่านพรามทำไมท่านลอยอยู่ในอากาศได้เนี่ยท่านเป็นมนุษย์เป็นทเทวดาหรือเป็นใครกันแน่เนี่ยทำไมมีลิดขนาดลอยในอากาศแล้วถืออะไรมาเนี่ยก็บอกว่าไอ้ที่ถือมาเนี่ยมันเป็นหม้อวิเศษในนี้มีน้า มีน้ำที่มีความอร่อยมากถ้าใครรับประทานน้ำนี้แ ล, ล้วก็ถ้ารับประทานน้ำนี้จะมีอาการอย่างนี้เมาจนหัวทิ่มบ่อหรือไม่มีกฎเกณในใจเลยลองลําฟ้อนลําทำเพลงได้เปลือยกายก็ยังได้หรือชวนพักพวกหมดความละอายแล้วลองล้ำทำเพลงไม่เป็นภาษากันเลยพัดกันทรง จากบ้านนี้ไปถึงบ้านนู้ปถึงบ้านเพื่อบอกเดี๋ยวจะไปส่งอีกกลับไปกลับมาทั้งคืนนแหละบ้างพวกดื่มแล้วเนี่ยเมาหมดสติแม้ไฟไหม้บ้านมายังไม่รู้สึกตัวเลยบางคนดื่มน้านชนิดนี้แล้วสามารถกินอาหารเดนของสุนัขได้ทำให้สุนัขมึนเลยนั่นมาแย่งของเราวะหรือไม่ก็เที่ยวพูดพลา ในที่ชุมชนโดยปราศ จ, จากผ้าผ่อนทอนสบายดื่มไปแล้วเนี่ยจะนอนอาเจียนเละเทะนอนจมกองอาเจียนไม่ก็ว่างมากกลางเป็นบุตรคนสำคัญทีเดียวเนี่ยหืม <c oughs> มากกลางหรือผิวพรรณวัน น, นี่น่าเกลียดทำตัวเป็นนักเลงโตทีเดียวแหละถ้าดื่มไอ้น้ำอย่างว่านี้ทำให้ ตายเสียชีวิตได้ทรัพย์สินไรนาซาโทโคโกระบือก็พินาตไปแต่ดื่มน้ําอย่างเนี้ยสามารถด่าพ่อกับแม่ได้ิดามารดาผู้ให้บังเกิดกล้าเป็นพ่อผัวสามารถเกี่ยวลูกสะภ้ยได้เป็นลูกสะภ้ยก็สามารถดุด่าว่าก่าวพ่อแม่ของสามีได้ เป็นเจ้านายเนี่ยสามารถเอาขาดถาบริวารมาเป็นสามีได้ถ้าดื่มไอ้น้ำอย่างว่านี้เนี่ยรัก็สามารถทำร้ายสมณชีพรามได้เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทตีกันเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ด่าว่ากันทะเลาะกันพูดจะเลวไหลเพือเจอบางพูดเท็จบ้างไอ้เติมไอ้น้ำอย่างว่านี้ ลืมเลยกิจาการงานอะไรต่างๆที่รับปากเข้ามาแล้วเนี่ยลืมไปเลยจะดื่มแต่ไอ้น้ำอย่างว่าเนี่ยที่มีปัญญาดีกับหมดความรายเนี่ยขาดสติปัญญาไปอดขาวอดน้ำเนี่ยสิ้นสงาาส่าราศีหรือนอนคอตกเหมือนโคที่ถูกประตักนี่ดูดื่มน้ำชนิดนี้ไปก็เหมือนกับดื่มยาพิษนั่นแหละ แม้แต่อรสถทั้งหลายดื่มแล้วเนี่ยพานางระบำไปเที่ยวเมาแล้วก็ตีกันด้วยศากดิอ์อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้เป็นอสูรเดิมสุราทิพย์บนสวรรค์ยังล่วงลงมาจุติลงมาเลยเพราะฉะนั้นในหม้อที่เรานำมานี้เนี่ยไม่มีเนยใสไม่มีเนยข้นไม่มีน้ำผึ้งมีน้ำอย่างว่าที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละท่านจะเอาหม โอ้ข้าพเจ้าไม่เอาแล้วนะพระราชาตอบข้าพเจ้าไม่เอาละโอ้ท่านเนี่ยดีจังเลยนี่ไม่ได้เป็นญาติโยมอะไรเลยเนี่ยก็ยังมาแนะนําแถมมีฤทธ์เหาะได้อย่างนี้ยืนกาอากาศได้เราจะยกบ้านสวยห้าตำบลและทรัพย์สินมากมายแก่ท่านขอให้ท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเถิดดูก่อนพระราชาสมบัติของพระองค์ก็จงเป็นของพระองค์เถิดเราคือท้าสั ก, กะเทวราชมีความเป็นห่วงพระองค์ ัวเป็นจอมประชากลัวว่าจะทำให้ชมโพโตวีบนี้เนี่ยพินาศขอพระองค์ทรงประพฤติรมเถิดทมซึ่ง ใ, ใครๆก็ติเตียนไม่ได้เมื่อสวรรคตแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่ก็เป็นเรื่องราวคราวนี้เรามาดู มาดูเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบพ่อแม่ลูกพ่อก็มีนาทีการงานที่ดีมีอนาคตไกลแต่พอเริ่มเข้าสังคมไปเอนเตอร์เทนกันเท่านั้นแหละสังคมนันก็สอนให้ว่าต้องเดิมถ้าไม่เดิมไม่รักกันจริง ข่าวสังคมต้องกินเหล้า <c oughs> ไม่เดิม <c oughs> ไม่ใช่ลูกวิชายก็ <c oughs> ถูกปลูกฝังกัมาอย่างนี้แหละไม่น่าเชื่อคําธรรมดาเนะี่ย <c oughs> แต่คําธรรมดานั่นนะไปกระแทกใจไปสะเทือนอารมณ์แล้วก็ให้ลองดื่มไ <c oughs> อ้ของอย่างนี้จะไปลองนะลุงนะมันมีฤทธิ์ฤทธิ์เพราะรสของมันและความเมาของมันแล้วยังมีอีกฤทธิ์นึ่งเขาส่งฤทธิ์มาเนะี่ย <c oughs> ตรึงอรติไว้เลยฉากหลังในฉากหลังนั่นแหละ ดื่มเพื่อข่าสังคมอย่างนี้เนี่ยแต่ดื่มนั้นน่ะเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องข่าสังคมครับคนเดียวก็เอาตอนนั้นติดแล้วติดแล้วเนี่ยแต่เดิเนไปจับแค่กานแก้วครับถ้วยแก้วต้องใหญ่ๆเพื่อให้จมูกและปากเนี่ยเข้าไปได้ปากเอาไว้ดื่มไว้จิบจมูกเอาไว้ดมก็ ก่อนจะดื่มจะดมเขาจะต้องหมุนมเพื่อให้ไออุ่นของมือเนี่ยจัดบรรยากาศที่ดีเพื่อเพิ่มรสของสุราของไวน์แล้วเมื่อดื่มลงไปแล้วก็อย่าเบิงกลืนให้กลัวกันทั่วทิลินให้ประสาทรับรส ร, ร, รับได้ทั่วถึง และ่ากลืนอย่างอ้อยอิงค่อยๆล่วงไปในลำค อ, อเมื่อลงไปในกระเพาะให้สะท้อนกลับมาเลอะเ อ, อิบ <c oughs> จึงจะเรียกว่าดื่มอย่างถูกหลักวิชาตอนนั้นเพิ่งเริ่มใหม่ๆแต่พอมืนแล้วอย่างนี้เลย ไม่ต้องจับก้านแก้วจับขูดลุยกันเลยลมีเงินเท่าไหร่ ก, ก็ไปซื้อหมดเข้ากรัวไว้ทีหลังแ ล, แล้ากินก่อนนี่มันเป็นอย่างนี้นะติดไปแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยติดทั้งรถเล่าติดทั้งข่าวสังคมติดทั้งความเมาบางคนท่านเป็นนักเขียนนะท่านเปิดเผยโดยสุจริตใจท่านใช้คําเนี่ยครว่าติดรถเล่าความเมาแต่ละเล่า แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน oh. ถ้าบอกท่านติดตรงนี้ s right. <S ความเมานี่พอติดแล้วก็จะอย่างนี้แหละมีเงินเท่าไรก็ไปเรื่อยเปื่อยพอกินมากๆเข้าก็ครานเนี่ยเจียนเดิมบอกว่ากินเหล้าเบอขาสังคม s right. <S ถ้าอย่างนี้เขาสังคมไม่อยากให้เขา s right. <S เอาออกไปเลยดีตัไปเลย s right. <S อย่างนี้นายเขาไหมไม่ <c oughs> อย่าบอกใครเลยอาเจียนจนเนี่ยนอนกลางถนนมือก็ยังถือของรักน้ำอร่อยที่สุดในโลกเพราะของรักก็เลยทำเป็นสุนัขปาดูเนี่ยแมมันอะไระว่าพันเดียวก็รลอนกลับมาบ้านก็หาคู่ซ้อม ทั้งสองเป็คนที่รักเราเขาจะได้ไม่โกรธนี่ลูกก็ได้ต้นแบบไปแล้วแล้วเกิดความรู้สึกไม่อบอุ่นเกิดความอบอ้ายในครอบครัวก็ตั้งไปหาเพื่อนเพื่อนที่ปรับทุกข์ผูกมิตรเกาะติดที่นำให้ไปทำสิ่งที่มีดีเมาแล้วก็หลับ ตื่นมากระมืนเมาค้างงานการก็เสียละเสียทั้งงานเสียทั้งเงินเสียเวลาอารมณ์เสียผู้เสียคนเสียสุขภาพตอนสุดท้ายก็ต้องป่วยด้วยโรคที่หามาจากสุราตั้งแต่เลิกพิชสุราหรือลังกระทั้งโรคอื่นที่มีอยู่ในตัวแล้วเนี่ย แล้วบุคคลพูดที่ไปดูแลก็คือคู่ซ้อมแต่เอาเป็นคู่ซ้อมก็สอบทรายนั่นแหละผู้เป็นที่รักแม่และลูกก็มาแต่เจ้าตัวตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้แล้วหมดเลี้ยวหมดแรงเลยมีแต่ความคิดต่างๆทต่มันพลังครูเข้ามาในใจตอนช่วงนั้นมันผ่านเข้มาในใจเลย เราจะไปปิดสวิต์เลือกเอาภาพก็เลือกไม่ได้ภาพอะไรที่สังสมิจนาจินกรรมเนี่ยทำบ่อยๆ<อ>เสพคุ้ น, นัเข้ามันก็จะมาฉายเห็นก่อนตอนแรกก็เริ่มต้นในภาพที่ดีๆกอบครัวที่อบอุ่นการงานที่ดีๆก็คล้มๆใจเป็นที่รักของเพื่อนและหมู่ญาติมีครหาที่เป็นวิมานอันแสนสุข มีรถคันโปรต์และก็มาค่อยเริ่มภาพแห่งการข้าสังคมแล้วก็ภาพที่ตัวเมาเอาเงินที่ได้เนี่ยเอามาซื้อความเมาอาบตบตีภรรยาและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับบุตรภาพอาเจียน เมานอนอยู่กลางถนนมึอนอยู่ในที่ทำงานภาพไปดีทั้งหมดมาจากสุราหลากยี่ห้อที่มีขวดสวยๆสลากที่งดงามแล้วก็สโลแกนที่หรูๆแล้วก็มีการโฆษณากันอย่างเอิ ก, กระเริดทีเดียวอย่างเปิดเผยในที่สุดใจก็เศร้าหมอง ใจเศร้าหมองตอนนี้แหละที่จะไปอบาย